สถุมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขนาทายาติสละเนศหาต่างใจสมาธานศิท์วันนี้เป็นวันขึ้น8ปดข้ำเดือนสแต่มันเป็นเดือนสี่นะขนาศธา ญ, ญาติโยมพราะปีนี้เป็น8ปดสองหนแต่ไม่จริงวัน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 ต้องเรียกไว้เต็น่เนิน่นเหมือนกันนะ <c oughs> นะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะ <c oughs> สีเลนานิพุติงยันติตัตมาสีหลังวิโสทาย <c oughs> สาธุวันนี้เป็นวันที่25กุมภาพันธ์พุทธ ศ, ศัก ร, ราช2558 ที่พวกหลวงพ่อเองได้ปรรบกับคณะทศไทยญาติโยมลูกหลานว่าจะทาบุญรวมญาติอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณของวัดสวดมนต์เย็นวันที่สตอนเย็นสวดพระปริตะมงคลวันที่ส่เป็นวันทาบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วก็เป็นวันมาคาบูชาด้วยวันที่สี่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 กําลังฝนพักของเราคงจะเหนื่อยเอาเถอะเราคงจะพักอยู่ที่นี่แหละในปีนี้แหละคงจะขายให้จบอทั้งฝนทั้งหนาวทั้งแรงจะคิดว่าน่าจะหมดเราจะอยู่ที่นี่ทั้งสามฤดูแต่อยู่ทั้งสามฤดูคือฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อน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 เป็นพักเป็นพวกเคยสงเคราะห์อนุเคราะห์กันมาในอดีตชาติพอฟังเข้าไป อ, อฟังสะดุดอืเราก็ไม่ควรจะตั้งอยู่ในความประมาทถึงจะจริงถึงจะจริงจริงหรือแท็จยังไงออก็เจ็ดวันก็ไม่เห็นจะยาวนานเท่าไหร่เ อ, อพอคาคนนั้นก่อนนสมบัติเราก็มีอยู่แล้วก็พร้อมที่จะทําบุญเ อ, อถวายพัดฒหารพระสงฆ์ก็ไม่เห็นจะหนักหนาที่ตรงไหนอะจากนั้นเขาก็ทําบุญ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 อยู่ได้เจ็ดวันสรุปแล้วก็อย่างหลวงพ่อเคยพูดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยไม่นานนะลูกหลานคณะสัตาญาติโยมนะพวกเราจะตายในภายในเจ็ดวันนะหลวงพ่อบอกเอา้าหลวงพ่อพูดอะไรทำไมจึงตายเจ็ดวันอา้อาวพวกเราไม่ไม่เกินเท็ดจันอังคารพุทธพลรหัสสุกเสา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 เราจะทํายังไงหลวงพ่อเ อ, อก็ทําตั้งอยู่ในความประมาณคือคือสังสมคุณงามความดีแหละสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดนะ่ะแต่สิ่งที่มันที่คนอื่นทําล่ะเ อ, อถ้าคนอื่นทําที่มันไม่ดีเราก็พิจรนารณาดูแล้วอมืมันไม่ดีใช่ไหมล่ะเ อ, อเหมือนกับเราเป็นปันเล็งในขาของเรานะ่ะถึงจะรักขนาดไหนเราก็จงตัดทิ้งอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดนะ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 มันพอจะใช้งานการงะได้อยู่เออกระหาโทษมันจนควักออกอย่างแผลในขาของเรามันก็ไม่ใช่มะเร็งที่เราจะผ่าตัดเออยบแผลไหลได้มันจะหายได้อยู่ออกระหาเรื่องตัดขาทิ้งอันนั้นมันก็ไม่ดีไม่ถูกต้องออนี่คงเหมือนกันนะการบริหารจัดการประเทศชาติบ้านเมืองวงศาคณาิวัดปาศาสนาอันไหนก็ตามเนะ่